เนั้นผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนสอนยากผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าสอนง่าย น, นะผู้ที่มีอินทรีย์ยิ่งเรียกว่าคนมีอาการดีถ้ามีอินทรีย์อ่อนก็อาการไม่ดีคนที่มีอินทรีย์มากสอนให้รู้ง่ายอินทรีย์แก่กล้าสอนง่ายสอนให้รู้ได้ง่ายถ้าหากว่าอินทรีย์อ่อนสอนให้รู้ยากสอนให้เข้าใจา ย, ยากพระองค์ก็วิเคราะห์อย่างนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอินเดียะาติปรโยัติยาน ดูก่อนสารีบุทข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์ทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้นี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิยามฐานะแห่งผู้เป็นโจรบัลลือศีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปส่วนทศพลยานที่เจกล่าวว่า ดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองและผ่องความผ่องแผ่วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงปองรู้ว่าปฐมฌานมีอะไรเป็นเครื่องเศร้ามองผ่องแผ่วและออกจากปฐมฌานได้อย่างไรทุติยฌานตติยฌานอะไรเป็นความเศร้าหมองผ่องแผ้วและออกอะไรเป็นความเศร้าหมองของวิโมกผ่องแผ่วแห่งวิโมก และออกจากวิโมกได้อย่างไรอะไรเป็นความเศรเ้ราหมองของสมาธิอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งสมาธิว่าออกจากสมาธิได้อย่างไรอะไรเป็นความเศร้าหมองแห่งสมาบัติอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งสมาบัติและออกจากสมาบัติทั้งหลายได้อย่างไรันความที่พระองค์เนี่ยนะรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้ อันนี้เป็นกำลังของพระตถ า, าคตประการหนึ่งซึ่งตถ า, าคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรลือสีหนาถในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปรว่ารู้ว่าชาญทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาญที่หนึ่งถึงชาญที่สี่วิโมกข์แปดเห็นผู้ที่ใส่ใจในรูปภายในแล้วก็เห็นรูปภายในเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าสมาธิทั้งที่สมาธิมีวิตกวิจารหรือสมาธิกลมมีปีติ สมาบัดก้าอะไรเป็นความสังกิเลสเป็นฝ่ายเสื่อมอะไรเป็นฝ่ายวิเศษขึ้นจะทําฌานอย่างนั้นให้คล่องแคล่วได้อย่างไรอันนี้พระองค์รู้ทั้งหมดได้อย่างนี้อย่างสิ้นเชิงนี่แหละอย่างเช่นการออกจากฌานเนี่ยถ้าฌานเบื้องล่างถือว่าเป็นประทัด ฐ, ฐานของฌานเบื้องสูงอันนี้เรียกว่าความผ่องแผ้วอีกในหนึ่งออกจากฌานต้องออกโดยภวังเนี่ยนะก็เรียกว่าอย่างลงก็เรียกว่าพอชวนะที่เป็นฌานดับไปก็จะเป็น ถวังถ้าออกจากนิโรสมาบัติก็ต้องออกด้วยพละสมาบัติอันนี้เรียกว่าพระองค์เนี่ยรู้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่ารู้ความเศร้ามองความพ่องแผ่วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงอันนี้เป็นทศพลยานของพระพุทธเจ้าประการที่เจ็ด ดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากนนะระลึกหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้ชา 10, 20, 30, 40, ชาติบ้างสิบยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยพันแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกำวิวัตกำวเป็นอันมากบ้างนนะรู้ได้เลยว่าในภพโน้นมีชื่อมีโคดมีผิวพันธุ์มีอาหารมีเสวยสุขเสวยทุกข อันนอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดชาตินั้นอ่ะนะจุติมีอายุอยู่ชาตินั้นแล้วดำรงอยู่ชาตินั้นกี่ปีจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นภพก็คือชาติภพโน้นแม่ภพนั้นมีชื่อมีโคดมีผิวมีอาหารสวรรค์สุขทุกข์มีอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นในที่สุดก็มาเกิดในชาตินี้เนี่ยเกิดกว่าระลึกถอยหลังได้ในชาติเป็นอเนก เรีกว่าความที่ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากอย่างนี้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศรายละเอียดทั้งหมดรู้ทั้งหมดนี่แหละดูก่อนสารีบทข้อที่ตถาคตระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้12ึ่งหาชาติ10 20 30 40 5 0ชาติ บ, บ้างร้อยพันแส0ชาติ บ, บ้างตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากบ้างว่าในภพนั้นเรามีชื่อโคตผิวพันธ์อาหารสเสวยสุขทุก อย่างนั้นกําหนดอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นเป็นต้นน่นะความที่พระองค์ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากอย่างนี้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนิดนี้แหละเป็นกําลังของตถ า, าคตประการหนึ่งซึ่งตถ า, าคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานนะแห่งผู้เป็นโจกบัลลือศีหนาฏในบริษัทยังพรมรรประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไป ก็อย de es ่างที่เราเรียนมหาประทานสูตรว่าพระองค์นั้นสามารถระลึกชาติได้ยอดเยี่ยมจริงๆคือระลึกได้ทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งของพระองค์เองและของบุคคลอื่นนะนะอย่างยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระองค์รู้ทั้งหมดแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพระสาวกทั้งหลายหรือพระองค์เองก็ตามในชาติที่พระองค์เมื่อเก้าสอ็ดกับในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั้นพระองค์เป็นอย่างไร ทั้งเรื่องของพระองค์เองเรื่องของบุคคลอื่นไม่ใช่เฉพาะใน91กับที่แล้วนะถอยหลังเป็นสีอสงไขยแสนกับรายละเอียดในยุคนั้นพงรอบรู้ทั้งหมดเรื่องราวของผู้ใดในอดีตการันยาวนานก็รู้หมดเลยแปลว่าเห็นหน้าปั๊บรู้ประวัตินะเช็คประวัติได้อย่างละเอียดยิบเลยนะเช็คประวัติได้ว่าพอจะบรรจุเป็นพระโสดาบันได้ไหมกันนะก็ดูแลถ้าบรรจุได้บรรจุในตรงไหนบ้าง เราไ ด, ไ, ได้ไม่ได้ไม่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าชาติหน้ามันดก็ชาติต่ตอตอไปนั่นแหละไม่ได้มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ได้กราศึกษาไปก่อนละกันนะแต่แต่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ตอนนั้นนะพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์เห็นเราแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ได้บรรลุตอนที่พระองค์อยู่นะถ้าพระองค์รู้ว่าเราบรรลุตอนน re ั้นพระองค์ช่วยเราได้ไปแล้วบนี้่นะพระองค์เห็นแล้วว่าไม่ได้บรรลุหรอกในตอนนั้นพระองค์เลยปล่อยๆอกเออไปอ่านจดหมายกันละกันนี่ไง ท่านนลเรียบเรียงไว้พันรุ่นจดหมายจดหมายพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกอะไาั้นทำบุญมาเท่านี้นะทําไงได้ถ้าเราระ ล, ลึกชาติได้ตอนที่พร ะ, พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดนึกว่าเราไม่ได้สนใจพระธรรมเลยจะเศร้าใจตัวเองขนาดไหนใช่ไหมไปประมาทอยู่หรือเปล่านออย่างวันนี้ปีใหม่เนี่ยเขาฟังธรรมกันกี่คนเองอะนะไปเที่ยวอย่างอื่นไนะหนกี่คนกันบอกโอ๊ยที่ฟังธรรมเนี่ยโล่งไปดูที่ห้างเนี่ยเต๊มไปหมดเลยนะร้านอาหารเนี่ยมันก็เต๊มไปหมดเลยมาไหนะ บริโภคธรรมะนี่น้อยมากบริโภคกุศลน้อยมากแต่บริโภคอกุศลเนี่เต็มไปหมดเลยนะ่ะมันบริโภคตอนเนี้จริงๆแล้วบริโภคเจตนาร่วมปาณาติบาตเนี่ยมีมากขณะนี้นะอนถามว่าเจตนาร่วมปาณาติบาตมีมากรู้ได้ยังไงก็ดูภาพยนตร์สงครามเนี่ยมันเขลนข่าบะเล ไ, ไวบวอดหมดคนก็ไปดูการแสดงว่ามีอัธยาศัยปาณาติบาตจํานวนมากอะ น, นะอัธยาศัยเกี่ยวกับอกุศลกรรมมบดมีจํานวนมากแต่ตรงกันข้ามเจตนา บริโภคอัธยาสัยที่ออกจากอกุศลกรรมบทมารักษากุศลกรรมบดไม่มากเ อ, อครับไม่มากก็คือน้อยหรือเจตนาที่มาเจริญสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจเป็นต้นนีก็น้อยลงไปอีกเจตนาที่จะระลึกไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็น้อยลงไปอีกอันผู้ที่บรรลุมรรคผลจึงมีน้อยนักอ่นะในหมู่มนุษยชนที่ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยนัก หมูสัตว์นอกนั้นก็เลาะเลาะวิ่งวิ่งเรียบเรียบไปตามขันธาตุอายตนะเนี่ยนะเลาะไปตามต า, มตามหูจมูกเล่นกายใจวุ่นอยู่อย่างนี้แหละพันหมูสัตว์เนี่ยเป็นไปอย่างนี้พันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนี่จึงน้อยนักเนี่ยนะพันพระสังารตนะจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่บรรลุมรรคผลนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆแล้วไม่มากเนี่ยนะไม่มากก็แสดงว่าใครที่คิดว่าจะอยู่ในวัฏฏะอีกนานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาใช่ไหม ไม่เงาและเขาเอาไปขังไม่ให้ขังเดียวง่ายๆหรอกต่อไปดูก่อนสารีบุตรนะนะข้อสภายานที่กลาวอีกประการหนึ่งตทาคตย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติที่เลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ที่กำลังเคลื่อนตอนนี้นะ ที่กำลังจุติเช่นเวลานี้วิีวินาทีเนี่ยจุติเท่าไหร่ในโล ก, กธาตุอันหาที่สุดไม่ได้นะมันจุติเท่าไหร่ทั้งโลกเนี่ยขณะเราหายใจเข้าก็ตายตอนที่เราหายใจออกก็ตายเนี่ยนะทุกวินาทีตายหมดเลยทั้งโลกกับประชากรโลกเท่าไหร่ห้าหกพันล้านเนะี่ยหกพันล้านจะไม่ตายบ้างเลยชั่วเราพูดหนึ่งคำก็ตายแล้วคนหนึ่งสองคนสามคนบางทีก็ตายเป็นสิบบางทีก็ตายเป็นร้อยเนี่ยบางทีก็ตายทีกันตั้งหลายร้อยที่ตายเนี่ยเผาต่างหาก ที blood, birds, ci bears, ่ตายนะที่เผาที่ฝังอีกต่างหากไม่นับเนี่ยนะเฉพาะที like ride, ่กําลังจุติจุติจุติตั้งแต่จุติตั้งแต่อยู่ในคัมจนถึงแก่ตายเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยที่จุตินี่ยนี่มนุษย์นะแล้วเดรฉานอ่ะไก่กาลังตายเท่าไหรหมูกําลังตายเท่าไหรเป็ดกําลังตายเท่าไรห่านกําลังตายเท่าไหร่ช้างกําลังตายเท่าไหรม้ากําลังตายเท่าไหรปลากําลังจุติเท่าไหร่ที่จุติทั้งหมดเนี่ยวงรู้หมดเลยแล้วที่กําลังปฏิสนธิล่ะอุบัติเนี่ยนะ อุบัติตั้งแต่อุบัติในคันในไข่อุบัติในนรกหรืออุบัติที่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะโผล่ขึ้นณนะตําแหน่งใดบ้างพระองค์ก็เห็นอีกพวกเลวกับพวกประนีตเลวเนี่ยเป็นผลของโมหะประนีตเป็นผลของอะโมหะคือปัญญามีผิวพันธ์ดีเป็นผลของเมตตามีผิวพันธ์ซามเป็นผลของโทสะได้ดีเพราะเหตุของอะโลภตกยากเพราะเป็นเหตุของ โลภะเนี่ยนะเลวประณีษตผิวพันธ์ดีผิวพันธสามได้ดีตกยากคนกนี้เป็นผลผลิตของโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะถ้าโมหะมากเลวถ้าอะโมหะประณีษตผิวพันธ์ดีเมตตาผิวพันธ์สามโทสะได้ดีอะโลภะตกยากโลภะเห็น <browse> อย่างเงี้ยทั้งหมดด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจิริตวจีทุจิริมโนทูจิริติเตียนา้าอรยาเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ความชั่วแบ่งเป็นสามอย่างไยชั่วด้วยกายก็ทําชั่วทางกายก็ตกนรกได้ชั่วทางวาจาก็ตกนรกได้ชั่วทางใจก็ตกนรกได้เอ๊ทุจริตสามมันน่าจะคลุมหมดแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังเอาแยกมาสองตัวอีกคือติเตียนพระอารียเจ้าอันนี้ก็โทษหนักมากแล้วก็ต่อไปก็ทํากรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิทําอะไรด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็อบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะมันสองอย่างเนี่ยพิเศษมากคือติเตียนพระอารียเจ้ากับเป็น มิจฉาทิฏฐินี่ไม่ธรรมดาจึงยกเอาออกมาแสดงว่านี้คือเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบัตนรกเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายเลวร้ายถ้าฝ่ายดีล่ะส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจิริวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าก็แปลว่าชื่นชมพระพุทธเจ้านะั้นสวดอิติปิโสดีที่สุดเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้สุขคติโลกสวรรค์นะั้นลุงเรืองก็สวดมันบ่อยๆแล้วกันแล้วก็ทีนี้นก็เพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเป็นมีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ยนะรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมอันนี้เป็นช่องทางเพื่อเข้าถึง สุขติโลกสวรรค์ดูกนสาหริบข้อที่ตถาคตเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังเคลื่อนกำลังอุบัติเรียกว่าต่อหรือปฏิสนธิมาที่เลวเพราะโมหะประณีตเพราะอะโมหะเนี่ยนะหรือปัญญามีผิวพันธ์ดีเพราะอะโทสะคือเมตตาผิวพันธ์สามเพราะโทสะเนี่ยนะบอถ้าผิวพันธ์ดีเพราะโทสะเนี่ยเขามาจะงามที่สุดนะคนรูปงามมากเลยนะแต่นี่ไม่ใช่นี่นผิวพันธ์สามเพราะ โสได้ดีเพราะอะโลภะตกยากเพราะโลภะด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์เพราะอะไรเพราะความที่พระองค์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริวจีทุจริจรมโนทุจริเตเตียนผ่าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําเ้ืยอํอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจิริตวจีสุจริตมโนโสุจริตไม่ติดเตียนผ้าเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิทํากรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําหรือทํากรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์อันนี้ก็เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้ว ปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสรีหนะในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปเนี่ยนะ